ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพฤติกรรมสโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่5มิถุนายน2540ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกเขาเชิญท่านติดตามฟังได้นะบัด น, นี้ สําหวันนี้พูดกันถึงพฤติกรรมสอย่างก่อนพฤติกรรมสมอย่างที่ว่านี่คือพฤติกรรมพิธีกรรมกิจกรรมอาตมาแบ่งกรรมเป็นสามกรรมนี่ใหญ่ๆเป็นหัวข้อใหญ่พฤติกรรมเข้าใจง่ายๆพฤติกรรมนี่ก็มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกรรมเฉพาะส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นใครจะมีพฤติกรรมอย่างไรกายกรรมของคนนี้แบบนี้ คนนี้กายกรรมดีแต่วัจจิกรรมไม่ดีคนนี้วจีกรรมดีแต่พฤติกรรมไม่ดีคนนี้ไม่ดีทั้งสองอย่างแต่มโนกรรมก็ดูดีนะแต่แม้ทั้งสองอย่างนี่หยาบทั้งสองอย่างเลยก็ได้แต่มโนกรรมดีนะแต่พฤติกรรมนอกไม่ดีเลยกายกรรมวจีกรรมหยาบกระด้างไม่เข้าเรื่องแต่ใจดีใจมีมโนกรรมเป็นกุศลดีอะไรก็ได้นะ หรือบางคนนีนพฤติกรรมข้างนอกโอ้โหกายกรรมเจ๋วเลยนะแต่มโนกรรมอมร้ายกาศคนนี้ซ่อนในน่ากลัวคนพันนี้เยอะสมัยนี้อนอกจากจะกายกรรมดีแล้ววัจีกรรมเจ๋วอีกนะโอ้โหพูดเจ้าประคนเอ้ยฟังแล้วนี่หลงลมเลยนะวัจีกรรมก็เจ๋วแต่มโนกรรมนะเจ้าประคุณเอ้ย โจรบัณฑิตแท้ๆในโจนรร้ายขนาดหนักๆและทุกวันนี้เยอะไม่รู้ตัวนะครับฝึกฝนตัวเองเป็นอย่างนี้ไปเยอะเดี๋ยวนี้ฝึกฝนตนเองกลายเป็นคนกายกรรมพฤติกรรมนี่มีกายกรรมกฏจีกรรมนดีมากแต่มโนกรรมเลวร้ายสุดยอดฝึกฝนกันอย่างนั้นเลวร้ายสุดยอดเพราะอะไรเพราะไม่ได้เรียนรู้จิตไม่ได้เรียนรู้มโนมโนมันก็สั่งสมกิเลสสั่งสมความเลวร้าย มีสำนึกเหมือนกันมีปฏิภาณเหมือนกันมีความรู้เหมือนกันว่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ดีก็มีเชิงชั้นซ่อนแฝงปิดบังกลบเกลือนใช้คนละเละ่วิธีการซับซ้อนวิธีการซับซ้อนเหล่านี้แหละเยอะขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็ไม่รู้เท่าทันกันจนแม่แต่ตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าเราเนี่ยคิดไม่ดีกับเขาหรือเปล่าความจริงคิดไม่ดีเพราะในจิตใต้ตั้ ง, ตงแต่ จิตลึกๆระดับอนุสัยระดับ unconscious อนุัสใน unconscious จิตตัวใต้สำนึกลึกๆก้กนบึ้งซึ่งยังลงไปไม่ถึงถ้าไม่เรียนพุทธไม่มีทางยังถึงจิตไรสำนึก a unconscious เข า, าเขาเรียกตามภาษาของซิกมันฟลอยนะเขาเรียกว่าจิตไรสำนึก unconscious หรืออนุสัย ไม่มีสิทธิ์เลยคนไม่เรียนรู้พุทธศาสนาเนี่ยจะไปยังถึงอนุสัยแล้วก็หยิบอนุสัยขึ้นมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนกระทั่งสมบูรณ์แบบเป็นจิตที่ดีไม่ได้ศาสนาไหนๆก็ไม่มีทางมีศาสนาบางศาสนายัางเข้าไปถึงจิตไม่ถึงไม่ใช่อันคอนเชียสแค่ซับคอนเชียสซับคอนเชียสเขาเรียกว่าเป็นจิตใต้สำนึกนะ นี่ภาษาของฟลอยนะเดี๋ยวอาตมาจะเรียกอีกภาษาหนึ่งนี่อาตมาอธิบายในเราคิดอะไรแล้วอาตมาไม่เรียกตามเขาทีเดียวแต่ก็ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นคนเราในศาสนาอื่นเขาอย่างถึงจิตมันกันเรียนรู้จิตบ้างเหมือนกันแต่ไม่ละเอียดละออนเขาไปได้แค่แก้ไขหรือว่าปรับปรุงจิตระ ด, ดับ sub conscious จิตใต้สํานึกได้บ้างส่วน conscious จิตขึ้นมาข้างบนนั้นเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจกันเขาก็เรียกสมชั้น conscious sub conscious and conscious อาตมามาเห็นแล้วว่าจิตนี่มันน่าจะแบ่งออกไปถึงสอย่างที่หนึ่งเรียกอาตมากับคิดค้นกันพยายามหาภาษาที่มันจะตรงที่สุดกับปรึกษาด็อรทางภาษาก็คือความดีอ่ะปรึกษากันรือว่าความหมายพวกนี้พวกนี้จะเอาอะไรดีก็ตกลงเราก็เลือกภาษามาได้จิตระดับแรกเรียกว่าจิตปุตุชนหรือจิตกึ่งสานึก สำนึกบ้างไม่สำนึกบ้างเจ้ว่าไม่รู้ดีมันก็รู้เหมือนกันนะดีแต่มันไม่มีกําลังแล้วก็ไม่เคยตั้งใจที่จะปรับปรุงจิตให้ดีเลยคนพวกนี้เรียกว่าปุตชชน100ร้อซภาษาอังกฤษเรียกชื่อระดับนี้ว่าจิตกึ่งสำนึกเอ้ยไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียกว่าจิตกึ่งสำนึกหรือจิตรู้สํานึกหรือไม่รู้สํานึกก็ไม่ชัดอ่าใช้ภาษาไทยอาตมาเรียกไว้อย่างนั้นจะเรียกตามเขาก็ได้ว่าเียจิตกึ่งสํานึกใช้ภาษาอังกฤษว่า pre consciousness ตอนนี้เติมคำว่าเนสไปหน่อยนี่เป็นคำนาม pre c o n s i o u s n e s s นี่จิตปุตุชนร้อยเปอร์เซนต์คนปุตุชนร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยไม่พัฒนาตนเองพัฒนากายกรรมพัฒนามโนไอวัจจีกรรมแต่ซับซ้อนไม่รู้จิตตัวเองเพราะฉะนั้นจิตตัวเองจะสะสมศึกษาแต่วิธีการเล่ยเลี่ยมที่จะ ทำอย่างไรเราจะทำดีแหมกายกรรมดีใครเห็นเนี น, นา่ารักใครเห็นเคารพนับถือวัจีกรรมดีใครเห็นน่ารักใครเคารพนับถือแต่ใจ น, นี่จะร้ายขนาดไหนซับซ้อนขนาดไหนซ่อนเชิงขนาดไหนมีเล่ห์เหลี่ยมขนาดไหนไม่รู้ตัวเองตัวเองจะมีวิธีการในทางจิตวิทยาใช้จิตวิทยาใช้การเล่ห์เหลี่ยมต่างๆนานาโดยแม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองนัมีเล่ห์เหลี่ยม นึงว่าตัวเองจริงใจความจริงตัวเองไม่รู้ใจตัวเองเลยเพราะฉะนั้นจะบอกจริงใจก็จริงใจโ ง, ง, ง, ง่โงจริงใจไม่รู้ใจตัวเองแต่ก็รู้สึกว่าเขาจริงใจนะเห็นจริงใจแต่ไม่ละ่ะเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้ลดความเห็นแก่ตัวเลยโลภในลาบยศสันเสิญโลกิสุเขาไม่เคยลดแม้แต่โทสะมูลอาฆาตพยาบาทเขาก็ไม่เคยเรียนรู้ เมื่อเขาไม่เรียนรู้อาฆาตยำยาออกมาทางกายทำหน้าเขียวหน้าแดงแยกเขี้ยวยิงฟันเขารู้ว่ามันไม่งามเขาปรับแล้วแต่ใจของเขาแยกเขี้ยวยิงฟันขนาดไหนเลือดเย็นขนาดไห น, น, นเขาไม่รู้ตัวเพราะใจของเขาจึงเป็นคนโหดที่เลือดเย็นที่สุดเลือดเย็นที่สุดยิ้มพูดเพราะแต่ใจในโอ้โหทีละจัดการ และมีอำนาจมียศศักดิ์มีเงินทองมีอำนาจทางเงินทางวัตถุทรัพย์ทางอำนาจอะไรหลายๆอย่างเรียบร้อยวิธีนี้ซับซ้อนอยู่ในสังคมทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นน่ากลัวมากอัตมาเรียกอย่างนี้ว่าจอมโจรบัณฑิตเป็นบัณฑิตใหญ่ๆบัณฑิตเรียนมามากๆเลยแต่ก็เอาเปรียบเอารัดแล้วก็ปราบปรามคนที่ขวางหน้าปราบปรามผู้ที่มา ริดรรนหรือว่ามาเป็นปฏิบักษ์ต่อลาบยศสันเริโลกีสุขของตนเองนะเนี่ยเป็นเมื่อเ่อไปเรียนรู้ธรร ม, มากจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจิตอย่างนี้จิตระดับปรีคอนชิสเนสเนี่ยเป็นจิตระดับปุถุชน 100% ไม่เคยคิดตั้งใจที่จะเรียนรู้ความดีงามแล้วก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติตนให้ดีงามขึ้นไม่เคยคิดแต่รู้ รู้ความดีงามรู้บ้างไม่รู้บ้างเอามาป ร, ปรับปรุงแต่กายกรรมกับวิจีกรรมนี่คือพฤติกรรมของมนุษย์สมัยนี้สองในระดับจิตระดับสองเรียกว่าจิต Moral Consciousness Moral ก็คงเข้าใจนะ Moral แปลว่าศีลธรรมจ ร, จริยธรรมที่ดีนี่แหละคนนี้เรียกว่ากรัลรยาณนชนเรียกโดยภาษาไทยอันแรกเรียกว่าปุตชนอันสองนี้เรียกว่ากัลยาณชน คนระดับกาลยาในชนนี่มีจิตดีมีจิตดีดีมากๆถึงเป็นาศาสดาก็ได้เป็นาศาสดาเป็นปาดเอกในคุณงามความดีได้แล้วพาทำพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางจิตก็พยายามปรับปรุงตนเองแต่ไม่รู้รายละเอียดของจิตจริงไม่รู้ชั้นของจิตจริงไม่รู้ลึกก็ไปถึงจิตถึงขนาดจะทาอย่างไรให้จิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงลดจากชั่วเป็นดี จนกระทั่งเป็นดีที่สมบูรณ์แบบจนกระทั่งไม่เปลี่ยนแปลงอย่างพระพุทธเจ้ายืนยันเนี่ยตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาจนเที่ยงแท้จนกระทั่งเสร็จไม่ต้องฝึกอีกเลยจบอาเซขะไม่ต้องศึกษาไม่ต้องอบรมไม่ต้องฝึกฝนเป็นแล้วเป็นเลยเป็นตัทธตาอาวิทธตาอนัญญ า, าตาอิทัปปจยตาที่อาตมาเคยอธิบายให้ฟังเป็นอย่างนี้ได้จริงเนี่ยทางด้าน ระดับกัลยาณชนหรือศาสดาของศาสนาอื่นเนี่ยไม่มีทฤษฎีเพียงพอแต่พยายามที่จะดีเพราะฉะนั้นคนกัลยาณชนนี่ดีพฤติกรรมกายก็ดีพฤติกรรมวาจาก็ดีโดยใจพยายามที่จะให้มาฝึกฝนตนตั้งใจทําดีตั้งใจเสียสละตั้งใจฝึกฝนตนเป็นคนดีต่างกับปุตุชนไม่ตั้งใจฝึกตนให้ให้ดีคนจะเป็นกึ่งปุตรชนกึ่งกัลยาณชนคุณก็ไปคิดเอาเองนะ ฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างเขาฝึกมากก็ได้มากไม่ฝึกบ้างสงนึกน้อยก็ได้น้อยกึ่งสำนึกไม่กึ่งสำนึกอย่างที่ว่าน่ะนะปุถุชนเพราะฉะนั้นปุถุชนจะมาเป็นกาลยาในชนก็อยู่ที่คุณภาพระวังคนนั้นเอาจริงไม่เอาจริงแค่ไหนถ้าเอาจริงมากๆเอาจริงจริงๆก็จะเป็นกาลยาในชนจรงิงๆเป็นคนดีของสังคมเป็นคนที่ช่วยเหลือเฟื่องฟายสังคมได้แต่ความความแตกต่างความแตกต่างของกาลยาในชนกบ กับอารียชนซึ่งจะเป็นระดับที่3ขึ้นไปนี่นะต่างกันอยู่ตรงที่ว่าไม่รู้จักทฤษฎีของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักทฤษฎีที่เรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณอย่างถูกทฤษฎีและจับรูปนามของจิตวิญญาณวิจัยวิเคราะห์กิเลสออกจับตัวกิเลสได้ชัดวัา น, นี่กิเลสหยาบเรียกว่าวิติกะมั ก, กิเลส น, นี่เรียกว่ากิเลสกลางเรียกว่าปริยุทธานกิเลสนี่เรียกว่าอนุสัยกิเลสเรียกว่ากิเลสระดับสุดระดับลึกไม่รู้เป็นระดับอย่างนี้จริง แล้วไม่มีวิธีปราบวิติกกามกิเลสไม่มีวิธีปราบปริยุทธานกิเลสไม่มีวิธีถอนอนุัยอาสวะนี่คือกัลยาณนชนดีได้ดีขนาดเป็นศาสดาศดาศดาทุกองค์จึงพระพุทธเจ้าไม่รับรองแม้แต่เป็นโซดาบันเพราะไม่มีทฤษฎีนี้นี่เรียกว่าพวก Moral Consciousness หรือพวกกัลยาณชนระดับที่สเรียกว่าอาริยชน อาตมาใช้คําว่าอาริยะซึ่งต่างกันกับคำว่าอาระยะอาระยะนี่ก็คือพวกคนสิวิไลนี่เขาเรียกฝกตะวันตกฝ ก, ป, ก ป, รประเทศพัฒนาคนเจริญแล้วพวกนี้เจริญวัตถุจิตวิญญาณไม่รู้เรื่องหรอกนะพวกนี้เขาก็เจริญวัตถุดีงามเขาก็มีความรู้ทางจิตจิตวิทยาบ้างเหมือนกันก็ทําตามประสามไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยลึกซึ้งเหมือนทางชาวต่างวันถ์ออกนะอาระยะชนส่วนอริยชน คำว่าอาริยชนนี่ก็เรียกตามกันมาตั้งนานแล้วในาศาสนาพุทธนี่แหละอัตมาก็ว่าอาริยชนมันก็เพี้ยนตอนนี้อริยชนเดี๋ยวนี้คุณจะไปพบได้มีเยอะอยู่ในหนังสือคนพ้นโลกหนังสือปาฏิหารหนังสือลานโพหนังสืออะไรเคยเจอกันบ้างไหมหนังสือพวกนี้นั่นแหละพระอริยะอยู่ในหนังสือเหล่านั้นเยอะเก่งอะไรล่ะโอ้โหปุกเสกเก่งพวกเนี้ย พระอะไรเขาตั้งให้เป็นพระอริยะมันยดีไม่ดีเป็นพระอราาหันโ น, นนั่นน่ะเยอะอาตมาก็มันฝือเต็เตมทีแล้วคำอริยะก็ไปเรียกคนนอกรีดคนไซยสาสตร์เนรชาวิชาอะไรต่างๆนานาปนเปกันเ ล, ๆๆละเทะเะเอามาใช้เรียกกับเขาพวกเรามันก็จะฟั่นเฟืออาตมาก็เลยเอาคําว่าอาระยะกับอริยะนี่มาสองคำสวมก็ไปเป็นอาริยชนใครจะทําไมนะ ใครจะทำก็มาทำที่อาตมานี่อาตมาก็เรียกอาริยชนคือคนที่เข้าใจทั้งโลกอย่างตะวันตกก็เข้าใจคนที่เข้าใจทั้งนา ม, มาทำในระยบจิตวิญญาณอย่างชัดเจนเป็นสมาธิที่ด้วยจึงเรียกอาริยชนและก็เป็นคนที่บรรลุทำตามพระพุทธเจ้าว่าโสดาสกิทาอนาคาอารหันนี่คืออาริยชนเราจะระบุภาษานี้เรียกผู้ที่เป็นอาริยะไม่ใช่อาริยะอย่างที่เขาว่า พมันเฟือแล้วมันฟั่นเฟือมันเพี้ยนแล้วยิ่งอาริยชนเขาไม่รู้เรื่องเลยอาริยชนคือคนเจริญแบบประเทศพัฒนาทั้งตะวันตกหรือทางสากลน น, น์นะเพราะอาริยชนนี่เป็นผู้ที่รู้จักจิตแล้วเริ่มรู้จิตรู้จักกิเลสจับสภาพจิตเป็นมีญาณเจ็ดมีญาณเจ็ดแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มนับตั้งแต่โซดาบันขึ้นไปเรียกว่าอาริยชนภาษาติดเรียก คนจิตระดับนี้ว่าเป็นจิตที่เข้าไปรู้จิตอาตมาเรียกว่าอะไรไม่รู้อาตมาก็ลืมไปอีกแล้วภาษาไทยนะแต่ภาษาอังกฤษจำได้อยู่ภาษาอังกฤษเรียกว่าใช้ซับนี่แหละซับคอนเชียนไม่เรียกว่าคอนเชียสนะคอนเชียนนะเชียนเนี่ยเหมือนคอนเชียสแหละมี ONS แล้วก็ c ีซีไ i อซ c ไ c ี c อ c นซี c อ s อนชิเอนซ์ n ับ e. นจิตในระดับ s ั b c o n s c i อนซ์เข้าเข้าไปรู้จิตที่มันเป็น c o n s c i อนซ์ cience, กับ c o n s c i ยสนี่มีลักษณะต่างกัน c o n s c i ยสนี่เป็นกลางกลางเป็นภาษากลางกลาสำนึกกลางกลนึกสำนึกดีสำนึกชัว่วเขาก็ไม่รู้แต่ Conscience เนี่ยเป็นความสำนึกที่ไปในทางดีแล้วเมื่อกับคำว่าธรรมะเนี่ยถ้ารกากราคคำว่าธรรมะ เราจะเข้าใจไปเป็นทางดีแล้วคำธรรมะถ้าจะบอกว่าไม่ดีต้องบอกว่าอธรรมถ้าพูดคำธรรมะกลางๆเนี่ยโนไปในทางดีแล้วเช่นเดียวกันถ้าเรียกว่า Conscience จะโน ม, มาทางดีถ้า Conscience ก็จิตสาำนึกจิตธรรมดานะเพราะอันนี้จึงใช้คำว่าซับคุณเชื่อภาษาไทยอัรม า, มาเรียกอะไร อ่ะเออไออันคอนเชียสเนี่ยเรียกจิตสุดสํานึกส่วนซับคอนเชียสนี่ใตส้สำนึกเออเรียกใต้สํานึกซ้ำซ้อนกันคนทางโลกเขาบอกแล้วว่าทางฟลิกมันฟลอยก็ตามหรือคนศึกษากยาแลญาณชนเนี่เขาศึกษาจิตใต้สํานึกได้บ้างแล้วเขาก็ปรับเปลี่ยนบ้างแต่เขาไม่ชัดเจนก็ได้บ้า ง, างแต่มันไม่ถาวรหรอกมันไม่แน่ชัดตรงกันได้นะจิตใต้สํานึกพอสมควรคลึกเข้าไปจากสิทธิจิต พื้นชั้นบนที่ออกมารูง้ง่ายๆต้องลึกล้วงลึกลงไปให้นงนอัตมาก็เรียกคำนี้ว่าใต้สํานึกตรงกันส่วนจิตไร้สํานึกที่เขาเรียก unconscious unconscious ไม่ใช่ conscious unconscious เขาเรียกจังแบบซิกมันฟรอยด์เขาเรียกเขาเรียกจิตไร้สํานึกคนไทยนัมาตั้งกันเองอัตมาก็เรียกตามเขาอัตมาเคยเจอเขาอธิบายเรียกว่าจิตไรสํานึกอัตมาก็เลยไม่เรียกไร้สํานึกตามเขาเพราะไรสํานึกมันคล้ายกับคนที่ไม่มีสํานึกเลยว้ คนโง่ตายเลยคนเลวแย่เลยมันไม่มีสำนึกอะไรเลยนี่เป็นคนเลวอาตมาก็เลยไม่ชอบคำนี้คำว่าไรสำนึกอาตมาก็เลยเรียกว่าจิตสุดสานึกคือตัวสำนึกที่มันอยู่สุดขั้วเลยใต้ก้นบึงเลยอนุัยอาสวะอาตมาก็ตั้งชื่อว่าจิตสุดสำนึกนะจิตของซับคอนเชนส์ของพระอริยานั่นก็คือจิตเสขบุคคล จิตของผู้ที่เป็นโซดาสกิธาอนาคากำลังเรียนอยู่ยังล้วงไม่สมบูรณ์ถึงขั้นดับอนุสัยอาสวะเพราะฉาะ น, นถ้าพึงถึงจิตขั้นที่4ีเรียกว่าอันคอนเชนส์นะครัอันคอนเชนส์เป็นจิตสุดสำนึกนี้เป็นผู้ที่เรียนรู้จิตปิติกรมกิเลสปริยุทธานกิเลสอนุสัยกิเลสเรียนรู้ลึกลงไปหมดเลย เสกขบคคณนี่ลดวิติกรมกิเลสมาเป็นโสดาส ก, ากิทาก็ลดปริยุทธากิเลสไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งอนุสัยกิเลสก็ลดไปตามลาดับสกิทาไปถึงอนาคาจะเหลืออนุสัยกิเลสเท่านั้นวิติกรมกิเลสกับปริยุทธากิเลสเนี่ยลดลงไปได้หมดดับเจี่ยงไปแล้วเหลืออนุสัยกิเลสเบาบางก็มาเรียนรู้เรื่องอนุสัยกิเลสเพราะฉะนั้นในจิตระดับสุดท้ายสุดสำนึกนี้ อัตมาตั้งชื่อเป็นที่จบเลยว่าเป็นจิตในระดับเสขาบุคอเสขะไม่ใช่เสขะเป็นจิตของอาเสขะบุคคลเป็นบุคคลผู้รูร้ล้วงไปรู้จิตสุดสำนึกแล้วก็ล้างกิเลสออกหมดเป็นจิตสุดสำนึกเป็นจิตที่สำนึกสมบูรณ์เป็นจิตที่ไม่เหลือกิเลสได้แล้วแล้วก็จงกระตั้งถึงอาเสขะบุคคลไม่ต้องศึกษาอะไรอีกแล้วนะ นี่เป็นเรื่องของมโนเรื่องของมโนกรรมที่เราจะต้องเรียนรู้ในทางพฤติกรรมเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ซับซ้อนอยู่นี้จะกายกรรมก็ดีมโนวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีถ้าไม่เรียนรู้ถึงมโนกรรมแล้วก็ปรับมโนกรรมซึ่งเป็นมโนปุพังคมาธรรมามโนเสธามโนมยาจิตวิญญาณนี้เป็นประธานสิ่งทั้งปวงประธานของกายกรรมวจีกรรมถ้าไม่ศึกษาจนกระทั่งสามารถปรับจิตนี้ได้ดีจริงๆแล้วกายกรรมวจีกรรมก็เป็นตัวหลอกชั้นเยี่ยม คนทุกวันนี้จึงเป็นผีหลอกที่ยิ่งใหญ่มากเลยยิ่งใหญ่มากทุกวันนี้เป็นผีหลอกร้ายกาเกนเด็คิราเดคิราที่แต่งตัวสง่าน ะ, ะมีเครื่องประกอบแต่งกายว่าคนเห็นต้องเคารพนับถือศักดิ์ศรีสูงคนที่เป็นสาวกหรือว่าเป็นบริวารจะต้องยอมสยบ น, นั่นางเอกนี่จะต้องถึงเวลาก็ต้องไปยื่นคอให้ตะกิร่านีน่ดูดนะกาดเอาที่คอ ด, ดูเอาเลือดไปแล้วก็ น, นอนปไปไปคือดูดถูก ด, ดูกินเลือดหมดเป็นสาวกที่หมดติด์เป็นทาตผู้ซื่อนะถูกหลอกกินหลอกใช้นะพวกนี้เป็นผีระดับ โ, โหระดับโลกเลยระดับสากลเลย ทุกวันนี้เยอะอาตมามีตาทิพนะเห็นผีเยอะแต่อาตมาพูดไม่ได้ผีพวกนี้ดุดุอาตมามีเพื่อนน้อยพวกน้อยพรรคน้อยอิทธิพลก็น้อยอำนาจก็น้อยเลยต้องปล่อยให้ผีพวกนี้อารวาดอยู่ไปเยอะเราทําอะไรยากเราก็ถึงได้มาพยายามที่จะภาคเพียนพวกเราให้มันเป็นเทวดาแล้วเป็นกลุ่มหมู่โตขึ้นพอพอสมควรพอที่จะประกาศสงครามกับผีได้ ตอนนี้ยังประกาศสงครามกับผีไม่ได้เลยเออต้องให้ผีมาระเริงก่อนมันน่าสงสารมนุษย์ชาติเพราะถูกผีกินแต่ขิ้ร่าเยอะนะในโลกนี้ถ้าใครมีตาทิพย์จะเห็นเห็นจริงๆเลยโอ้โหพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนี้ซับซ้อนโอ้เขาก็ไม่รู้ตัวเขานะตัวคนพวกนี้ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวอวิชชาไม่รู้ตัวเองนะว่าตัวเองเอ๊เราก็เหมือนกับคนนั้นนี่ใครเขามาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละ ใครเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเขาก็ทําอย่างงี้แหละถ้าไม่ทําอย่างนี้สิเป็นพวกแกดำถ้ามาเป็นนายกก็ต้องเป็นอย่างงี้แหละไม่ทำอย่างนี้ไม่เป็นอย่างงี้เป็นได้ไงให้อัตมาไปเป็นนายกรัฐมนตรีเดนิสอัตมาก็ไม่เป็นสมมุติว่าอัตมามีฝีมือจะบริหารได้ด้วยอัตมาก็ไม่เป็นเพราะเครือข่ายเพราะอะไรๆมันทําไม่ได้แล้วทุกข์ไหอะไรล่ะมันจําเป็นเลยแล้วก็จริงด้วยนะอัตมาก็เห็นใจเหมือนกัน มันพูดไม่ได้จริงๆพูดไปได้ยังไงอ่ะพูดก็บรรยายกันสิพังกันเลยทั้งบ้านทั้งเมืองเลยดีไมดีมันจะยิงกันมันจะฆ่ากันตายดีไม่ดีมันจะฆ่าเรานั่นละก่อนไม่ได้เลยนะเพราะมันซับซ้อนมันมีอะไรฝังแฝงบางบางพลางโอ้พูดไม่ไหวนะเพราะว่าให้อัตมาไปเป็นทุกวันนี้อัตมาไปแก้ไขกคนเหล่านี้ไม่ได้เข้าไปก็ต้องไปตายต้องไปเดินตามหมากคนต้องเส้นสายกันแล้วไปทําทําไม อันมาถึงห้ามระบอกอไปลองดูไปทำงานพวกนี้การเมืองนยคุณจำลองคงจะซึ้งในหัวอกหัวใจขนาดหนักเปลองแล้วมันไปได้เหรอมันไม่ได้บอกให้ปล่อยพักมาตั้งแต่รม้กี่ปล่อยไม่เตอนนี้จะปล่อยจริงหรือไม่ปล่อยจริงยังไม่รู้เลยเอา้าวเนี่ยเป็นเรื่องของพฤติกรรม นั้นพฤติกรรมขา อ, อธิบายไว้แถวนั้นไว้วันหลังอธิบายกันใหม่อีกในรายละเอียดมันมีอะไรเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ซับซ้อนกายกรมรมวจิกรรมมโนกรรมเนี่ยมันมีอะไรหลากหลายแต่จิตเป็นประธานถ้าไม่เรียนรู้จิตแล้วมันปรับปรับ ป, ป, ปรุงกายกรมรมวจิกรรมขนาดนั้นไม่ต้องพูดอะไรมากเลยแม้แต่พวกเรานี่เองเถอะศึกษาทางจิตมาแล้วพอรู้รกายกรมรมวจิกรรมก็ยังมีมันยังไม่งามทีเดียวหรอก ซ, ซับซ้อนซ้อนซ้อน ซ, อน ซ, อนซอนแฝงแฝงพลงังพลงัพลงเล็กๆน้อ ย, อยอมีไม่ ทีเดียวหรอกใครของใครกันแล้วแต่ใครเล่มากเลียมมากใครพลางมากนู้บางคนก็ซื่อเกินไปโป๊กโป๊กโป๊กโป๊กมันเสียมเหียนโอ้จริงใจนัะนนี่จริงใจแต่มันก็ะด้างอ่ะมันดูแล้วมันน่าเกลียดไม่มีมารยาทสังคมบ้างเลยเออควรนิ่มควรอ่อนควรให้มันเออเนี่ยความจริงความจริงก็รู้จักแหมอันนี้ไม่ควรพูดควรจะใส่แหมทาสีเล็กน้อยใส่น้ําตาลนิดๆอะไรก็พอได้ ไม่หลักล่อเละเสียมเหียนมีสนิมเสร็จโอ้ยถูกใครเลยเนี่ยบาทยักกินเลยเสียมเหียนช้าด้วยนะไม่ค่อยเข้าด้วยนะเพียงถลอกแต่บาทยักเข้าได้โอ้บวมชึงเลยนะอะระเบิดเลยพังนะมันก็ระมัดระวังบ้างนะพวกเราเนี่ยมันก็มีสภาพเพะอย่างนี้ละอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องพิธีกรรมก่อนพิธีกรรมเนี่ย อย่างนี้เราเรียกพิธีกรรมเอาความหมายของกิจกรรมกับพิธีกรรมซะก่อนสองอย่างต่างกันอย่างไรกิจกรรมในหมายคำว่างานพิธีกรรมก็งานจัดงานเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าพิธีกรรมเนี่ยคือ ง, งานนี่เน้นมาทางในทางรูปธรรมเน้นมาในทางของเรื่องของรูปเรื่องของกายส่วนนาไอส่วนพิธีกรรมเนี่ย เน้นไปให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านของนามธรรมหรือจิตวิญญาณนะเพราะฉะนั้นในพิธีกรรมราชจพิธีก็ตามหรือว่างานเทศกาลงานโน้นงานนี่อะไรก็ตามไม่ต้องเอาอะไรแล้วแคงงง่งานมหรสพเนี่ยจัดงานงานมหรสพนี้เป็นต้นก็จัดงานรื่นเริงอะไรกันงานอย่างนี้ก็คืองานที่จะเน้นให้เกิดประโยชน์ทางด้านจิตวิญญาณ แต่มันปนกันอยู่นะมันก็เอาได้จิตวิญญาณมาจิตวิญญาณในี่งานมหาประสบหรือ ง, งานอะไรแล้วแต่เดี๋ยวนี้งานวัดแท้เอาของไปขายเต็มวัดเลยนะเดี๋ยวเนี้ยนะขายวัตถุเอาไอ้นู่นในนี่ไปทําเต็มไปวัตถุคือวัดก็ขายเองด้วยเรื่องของเรื่อ ง, องหาเงินนะวัดก็หาเงินมันเลยกลายเป็นพิธีกรรมที่ไม่เป็นพิธีกรรมแล้วมันกลายเป็นเรื่องวัตถุก็ไปปนสเละหมดเลย ความจริงแล้วจัดงานมหรสพนี่ก็เพื่อใจใจเอาะแม้แต่ทางคนโลกโลกเขาจัดงานมหรสพคนที่จัดงานมหอราศอย่างบริสุทธิ์นี่เขาไม่ต้องการเงินแลกเปลี่ยนหรอกเขาต้องการลงทุนอานะวันนี้จะเลี้ยงจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดอะไรเงินงนะมีมหรสพคนทุกคนก็มาเริงเรืองบรรเทิงใจไปทนานด้านธรรมธรรมตามความรู้ของเขาเขาคิดว่าเอออย่างนี้นะีน่จัดพิธีอะไรพิธีโกนจุก พิธีวันเกิดพิธีงานฉลองขึ้นบ้านใหม่อะไรก็แล้วแต่เป็นงานบันเทิงเป็นพิธีการเป็นงานพิธีกรรมจัดขึ้นมาแล้วนมเน้นไปในทางจิตวิญญาณเพราะเขาคิดว่าโอทมาได้กินมาได้สนุกสนานมาได้บันเทิงเริงรมมาได้อย่างนี้แหละคนชอบคนก็มามา บ, บันเทิงเริงบันเทิงเรองรมในจิตวิญญาณ เขาก็นึกว่ากันบันเทิงเรองรมอย่างนี้ดีเออยิ่งเราบัมโปบางทีงานมันเกิดบางเจ้าเอารำบัมโปมาแล้วเนี่รำบัมโปประเภทระดับอะไรอะระดับ x รำบัมโประดับมันมาเต้นเลยนะนี่ต้องให้ลูกๆล้านๆมันนอนก่อนงานจัดกันเขาก็ทำเขาก็ว่านี่แหละเป็นความสุขเป็นความอร่อยบันเทิงเรืองรมสนองกิเลสสนองอารมณ์บันเทิงเริงรมสนุกสนาน เป็นเรื่องของทางจิตวิญญาณนี่เป็นเรื่องจัดเข้าสู่ทางด้านพิธีกรรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้วผู้มีปัญญาก็จัดพิธีกรรมจัดงานนี้นะนี่เป็นงานสงกรานงานรดน้ำงานบุญบังไฟงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะเกิดสภาพที่จะทำให้เกิดโน้มน้นทางจิตวิทยาให้เกิดดีแก่สังคม พลัสังคมใดๆก็แล้วแต่จะจัดงานงี้ไม่ว่าประเทศไหนเขาก็มีมีเป็นวัฒนธรรมจัดพิธีกรรมอย่างงี้จัดงานนี้นงงี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสมาน ส, สามคัคคีให้เกิดอะไรใจแม้แต่แข่งกีฬานี่ก็เป็นงานพิธีกรรมไม่ใช่กิจกรรมนะเป็นงานที่จะให้เกิดจิตวิญญาณเนี่ยประสมานสามัคคีแต่เด็แต่เดิมนะเดี๋ยวนี้มันเป็นอบายามุกแล้ว มันเป็นมหาระสบอบายยังไมเป็นการละเล่นกีฬาเนี่เป็นเรื่องที่มอมเมามากมายจิตวิญญาณเลวลงแต่ผู้ฉลาดแต่เดิมนั้นนะ่ะจัดงานพิธีกรรมอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่จะเอียงไปข้างโลกก็ตามหรือเอียงมาข้างธรรมะในวัดก็ตามจัดเพื่อให้เกิดจิตวิญญาณจเจริญพิธีกรรมจัดให้จิตวิญญาณจเจริญ เพราะจะเป็นงานราชพธิธีงานทางพิธีการทางรัฐงานอะไรก็แล้วแต่งานจัดอะไรงานเทศกาลงานอะไรก็แล้วแต่โน้มเน้นไปในทางจิตปิญญาณให้กล่อมเกลาหรือให้สร้างจิตวิทยาที่จะเกิดการทําให้จิตวิญญาณนี้ดีขึ้นอย่างน้อยก็สมานสามคัคคีอย่างน้อยจริงๆก็คือให้จิตใจคลายเศร้าคลายโศคลายทุกข์คลายร้อน แก้ปัญหาหรือทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดทำให้เกิดจิตเป็นจิตที่ไม่เห็นแก่ตัวลดกิเลสได้นั่นแหละสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถทำให้ลดกิเลสหมดไปเลยได้ยิ่งดีนั่นคือการงานที่พิธเรียกว่าพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมเน้นทางจิตวิญญาณส่วนงานกิจกรรมนั่นก็คืองานจะทำกิจ ก, กรรมจะทำ อะไรกรรมกัแล้วแต่จะทำการสร้างการก่อการงานนั่นนี่การงานแม้แต่ไปการทางานตามธรรมดาสังคมทุกวันนี้มีการงานอะไรเป็นสมาอาชีพอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมทั้งนั้นเขาเรียกตรงๆเขาก็ว่าเรียกว่ากิจการกิจกรรมนี่คืองานกิจการมีกิจการเพราะฉะนั้นใครจะทำกิจการอะไรก็ทำไปเลยนะคืองานทางกิจกรรมงานกิจกา ร, รคืองานกิจกรรมอ่า เพราะนคนเราต้องมีงานกิจกรรมหรืองานกิจการ <c oughs> เป็นสมมาอาชีพคนไม่มีอาชีพไม่มีงานการมันจะไปอยู่อะไรได้ใครก็มีอาชีพเป็นงานการไม่ได้หมายความว่างานอาชีพคืองานที่ทำแล้วได้เงินเข้ากระเป๋าเรว่องงานอาชีพมันก็เข้าไปต า, าไว้เนี่ยอาชีพอะไรอาชีพข้าพตนี ข้าปัตัญีคืออะไรรู้ไหมอาชีพคุณนายมีเงินอาชีพข้าปตาัตัญีแต่ไม่ใช่หรอกจริงๆอาชีพของเขาคือเล่นไพ่คือชีวิตของเขาจะเล่นไพ่ประจํามากเลยวันๆขึ้นเดือนนี้โอ้เล่นไพ่เล่นกันมากเป็นงานที่ทําประจําเป็นงานที่สําคัญที่เขาไม่ได้หมายความว่าได้เงินหรือเสียเงินดีไม่ดีฉิบหายด้วยเล่นแบบเสียเอาเสียเอาด้วยนะข้าปัตัญีคนนี้นะ เล่นไพ่เก่งเล่นการพนันเก่งนะแล้วมาบอกเป็นอะไรเป็นงานข้าพตนันนีอาจจะมีสามีทํางานทําการร่ารวยอะไรก็แล้วแต่แต่ตัวเองนั่นนะนะเล่นไพ่แล้วบอกว่าตัวเองเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านไม่ได้เป็นแม่บ้านแม่เบอร์ได้แม่บ้านแบบนี้ลูกบ้านแย่ตายหมดเลยลูกบ้านแมเล่นเด็ดการพนันเล่นแต่อบายมุกนี้ไม่ได้นะหรือเป็นครู เป็นครูแล้วทําอะไรขายเครืสอง้ำอางเก่งไม่เคยสอนหรอกฝากเพื่อนสอนตับพืชตัวเองก็ขายแต่เครื่งซ้ำอางนะเพราะงั้นคนนี้ไม่ใช่ครูคนนี้เป็นเซลเป็นเซล <c oughs> เป็นเซลขายเครืสอง้ำอางไม่ใช่ครูนะหรือข้าราชการบางคนนี่ยิ่งเป็รายการผู้ใหญ่แล้วเนี่ยวันๆก็มาถึงก็ เปิดแ ฟ, แฟมแฟมเ็สร <us> ็จรีบเลยนะเอาไม้พัดขึ้นมาขัดเดี๋ยวได้เวลาแล้วออกราวล้ลงสนามตีกอล์ฟบอลบเอาแต่เรื่องกอล์ฟคนนี้อาชีพตีกอล์ฟชิบหายเงินด้วยนะไม่ได้ไม้กอล์ฟไม่ได้เงินนะเสียเงินด้วยนะแต่ที่ได้เงินก็คือรับราชการแต่ละงานราชการในเป็นงานไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังไปเอาจริงเอาจังมั่วแม่อยู่ในงานอะไรๆงานอะไรของตัวเองนะนี่คือความหมายที่ต่าง คนทุกวันนี้บอก ว, ว่างานอาชีพคืองานได้เงินเป็นหลักอันนั้นคืออาชีพของเราส่วนเขาว่าอาชีพที่อัตมาอธิบายนี้คืองานที่เราทําเป็นหลักจริงได้เงินหรือไม่ได้เงินเสียเงินหรือไม่ได้เงินไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานอะไรเป็นหลักบางทีเป็นอาชีพชั่วคราวบางทีเป็นอาชีพถาวรอคนที่ทำอันนี้มาตั้ง สิปีแล้ว20สปีแล้วบางคนทําอันนี้อยู่มาสามเดือน5เดือนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนอาชีพไปใหม่อคนนี้ช่วยอะไรช่วยขยะช่วยเจาะกลมดินเย็นอยู่ไปสองวันสา ว, นาวันหวันอยู่ในเดือนหนึ่งสองเดือนเปลี่ยนอาชีพแล้วตอนนี้ไปช่วยครัวแล้วเปลี่ยนอาชีพไปช่วยทํางานครัวไม่ได้เงินหรอกแต่งานอารักคุณจะช่วยครัวก็ไม่เป็นไรอยู่ให้มันยืดแล้วกันอาชีพไม่ก็อยู่นานๆอยู่เป็นหลัก อยู่ครัวไปได้อาจจะนานกว่าขยะหน่อยนึงคนนี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่ทำงานอะไรก็แล้วแต่สรุปแล้วก็คืองานนี่เป็นงานหลักงานอาชีพเป็นงานหลักที่เราทำประจำเราถนัดหรือว่าทำได้ประโยชน์มากเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆมากคนอื่นทำไม่ถนัดเท่าเราเราเชี่ยวชาญเราเก่งก็ได้หรือไม่เก่งแต่ไม่มีใครรับผิดชอบเราก็จาเป็นต้องทาก็ตามแต่ก็ยึดงานนี้เป็นงานหลักละ เราทำงานนี่เป็นงานหลักต้องเอาใจใส่ไม่ได้ทำด้วยบําเบอกกิเลวว่าเราชอบจึงในแตมาไปครัวบ้าเมื่อกี้นี่ถามเห็ดฟางนี่ซื้อหรือเปล่าเพาะเองแล้วเห็ดเนี่ยโอ้โหก็มาอวดอย่างนีนี่เห็ดขอนนี่เห็ดนี่อะไรมาเอาเลยมางานนี้มีเห็ดเป็นหลักนะเป็นเห็ดแบบเต้าหู้ไม่เคยมีเพราะที่นี่ไม่ได้ทําเต้าหู้กันมันที่จริงก็ทำเต้าหู้ได้ที่นี่แต่ว่าเสร็จแล้วเอาไปเอามามันก็เลยกลายเป็นสภาพที่ยังไม่สมบูรณ์เลยไม่ได้ ทำเต้าหู้ก็ไม่เป็นไรไม่ทำเต้าหู้เราก็เห็ดเป็ น, เ ป, นเป็นองค์ประกอบของการปรุงอาหารโอ้เยอะทํากันนะก็ทานกันพึ่งกันให้ได้ส่วนผักพืช น, นั้นก็เป็นไปแม้แต่ผักธรรมชาติพวกนี้เนี่ยเราก็จะเรียนรู้อัตมาพยายามให้ศึกษาผักธรรมชาติมีที่นี่นะดินงามรู้สึกว่าจะปลุกผักนี้มากให้มาเรียนกัน เอาละในระพักต่างๆนานาพวกนี้นรเรียนรู้แล้วเราก็ปลูกไปทั้งผักที่เขากินกันผักกาดผักขนัน้าผักนวนผักนี่เราก็ปลูกปลูกบ้างนะเผื่อคนทุกๆระดับที่เขาจะกินเป็นเขากินไม่เป็นเขาไม่ได้กินนะเขาก็ตายนะเราก็ช่วยเขาบ้างนะเราก็ตอนรับเข้ามาอ น, นุนีอะไรแต่อะไรต่างๆนานาเราจะเน้นกสิกรรมเราจะมาเป็นเกษตรก ร, รมีกิจการเกษตรกรรม ไรสารพิษนะ่ยไม่ใช่ปลอดสารพิษเท่านั้นนะเราจะใส่แต่ปุ๋ยเท่านั้นนะไม่ใส่เราไอสารเคมียาฆ่าอะไรแต่เรไม่เอาเอายาฆ่าไปไหนๆก็ไปเถอะยาฆ่าที่เราไม่ฆ่าแต่พยายามฉลาดพอที่จะไม่ฆ่าแต่เราจะพยายามให้เขาหายไปให้เขาตายไปเองให้เขาเลิกราไปเองในอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นระดับชีวะที่เป็นสัตว์นะ เป็นพืชเนี่ยไม่มีปัญหาชีวะในระดับพีชะเป็นพืชเนี่ยเรากินนะเราใช้อยู่งานระดับอื่นจะเป็นงานการค้าการขายเราก็จะต้องทําเป็นงานการผลิตในด้านถนอมอาหารมีโรงงานนี่สมมุติว่าต่อไปนี่เรามีโอ้โหนี่สวนนี่สวนเงาะนี่เงาะมากกินไม่หมดต้องเหลือมาต้องมาทําเงาะกระป๋องเือนนเราก็จะต้องมีโรงงาน เครื่องกระป๋องทำเงาะกระป๋องนดีไม่ดีหนักเข้าก็เอาหมักวลิงมาทำกระป๋องนมันเยอะอะ่ะมักว่านี่มีเอามาทำกระป๋อง่ะถนอมอาหารส่รงนอกเลยนะไม่ต้องนอกเรอกเราทำไปให้เมืองไทยนี่แหละส่งขายเมืองไทยนี่ก็เถอะเราไม่ต้องไปห่วงเขาเรานะคนนอกอะ่ะคนนอกเขามีคนแย่งขายเยอะแยะ ห่วใน เ, เรื่องเสียธกิจว่าจะต้องไปเอาเงินต่างประเทศเข้ามาเพราะเราจนจนเพราะอะไรจนเพราะไปกู้หนี้ยืมสินเข้าม า, มาต้องใช้ดอกเบีย้ยเขาเดือนหนึ่งปีหนึ่งเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นก็ไปทํามาเองทางนั้นแหละหทำมาก็หาใช่ก็ดีรเราไม่ได้ไปทําให้สักหน่อยนะเพราะเราไม่ได้ฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเราไม่ได้ไปทำถึงขนาด น, นั้นเราไม่รับผิดชอบด้วยหรอกนะคุณไปทำคุณไปหาเองเพราะจะเป็นอย่างกจะากหาวิธีหาเงินแบบนี้มันเป็นเรื่องงูกินหางไอ กิจการหรือว่าการเศรษฐกิจแบบนี้เศรษฐกิจงูกินหางไม่มีวิธีการหมุนเงินมาก็หาวิธีจ้กระทั้งเล่นหุ้นแหมโกหกกันหลอกกันอะไรกันมาอา้าวหุ้นเป็นแหล่งที่หมุนเงินมาเพื่อที่จะให้ประเทศชาติอยู่ได้พอมันฉิบหายเอาเงินรัฐไปอุดหนุนช่วยไว้คนที่เจ็บป่วยเออไม่ใช่คนเจ็บป่วยคนอดอยาก คนที่ลำบากลำบนจะสร้างสรรค์จะทำงานทำการอะไรก็ถูกนายทุนมันเอาเปรียบเอารัดพายแพ้เป็นคนจนจะมาช่วยหน่อยก็ไม่ได้เอาเงินมาช่วยไยหน้าไยสวนให้เขาทำหน่อยไม่ได้หรอกไม่อุ่นหรอกสภาคนจนก็จนไปเหอะแต่พวกนี้พอลมธนาคารแย่ yeah. อุดธนาคารนี่คือแหล่งของคนมีเงินนะไม่ใช่แหล่งของคนจนนะอุดหุนลม้ม ห, หุ้นจะไปไม่รอด เงินอุดเงินของรัฐบาลเงินของประชาชนทุกคนพูดไปแล้วเนี่ยอาตมาพูดม า, มากๆวันเด็กเขาเก็บอาตมาอีกเศรษฐกิจเสียดสาะก็เป๊ไปเลอะเลอดเธอไปไม่ออกอัน น, นอาตมาก็พูดไปพูดมามันพลาดพิงถึงมันก็อภิจารหน่อยนะตามประษามันก็ขอเก่านิดหนึ่งนะมันพลาดพูดแลมันก็ผ่านมาหน่อยก็ขอเก่านิดหนึ่งมันคันคันปากอะ่ะมันก็เก่านิดหนึ่งนะ สรุปแล้วก็งานด้านใดๆก็ตามเรารู้เขาและเราก็ไม่ทำอย่างเขานอกจากไม่ทำอย่างเขาเราก็ทาอย่างเราเศรษฐศาสตร์ของเราอาตมากล้าท้าทายเลยว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของมนุษย์เนี่ยพวกเราเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้คนแต่ละครอบครัวแต่ละหมู่บ้านนี่แหละให้มันดีขึ้นแต่เขาแก้ไม่ถูกเขาไปแก้ช่วยแต่นายทุนช่วยแต่ไอพวกที่มีฐานะกัน มันคนจนเขาก็บอกว่าจะช่วยคนจนจะช่วยคนจ น, ป, น, จนปัสสับักสอสอจะช่วยคนจนไปเป็นรัฐบาลไงนจะช่วยคนจนช่วยคนจนช่วยคนจนให้ตายลงไม่ใช่ช่วยคนจนให้ดีขึ้นหรอกฟังแล้วมันต้องพูดอย่างเงี้ยนะมันไม่จริงเนี่ยไม่จริงช่วยคนจนคุณจะต้องมาจนลงอัตมาไม่ได้เคยปิดบังนะพวกเรามาที่นี่มาทําไงมาจนหรือมารวยจริงนะ เพราะจนนี่มันยังมีความหมายยังมีคำอธิบายแล้วก็มาเป็นให้ได้จริงๆเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่คนจนผู้ยิ่งใหญ่เป็นเป็นผู้จนที่ไม่ต้องสะสมอนาคาริกะหรืออนาคารีอนาคาริกะบุคคลเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์สริงคารไม่มีบ้านช่องเรือนชานเป็นของตัวเองแล้วเป็นคนจน แต่อยู่อย่างดีไปไหนใครก็ต้อนรับขึ้นบ้านโน้นบ้านไหนก็รีบห้ขึ้นบ้านนอกนั่นก็มีคุณค่ามีคุณงามความดีขึ้นบ้านไหนเป็นสิริมงคลเพราะว่าเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่เข้าใจเป็นคนที่ปรึกษาปัญหาต่างๆได้ยิ่งกว่าสสจริงๆช่วยเหลือได้ยิ่งกว่าสสจริงๆ เป็นคนที่อยู่ในระดับบริหารอยู่ในระดับที่จะช่วยเหลือเฟือฟ่องฟายมนุษย์ได้ไปไหนก็ไม่ต้องมีบ้านตัวเองไปไหนบ้านไหนนอนบ้านไหนกินบ้านไหนก็ได้เขาจะต้อนรับเขาจะให้อยู่นานๆด้วยอยู่บ้านไหนก็อยู่ได้นานๆอยากให้อยู่นานๆด้วยเพราะว่าเขาอยู่ก็เป็นประโยชน์แก่บ้านเขาเพราะว่าไม่ดูดายอย่างน้อยปันป่นงัูปั่นควาให้ลูกทันเล่ น, นอะไรก็แล้วแต่เป็นคนที่สอดคล้องกับศัจธรรมที่ดีทุกอย่างไม่ดูดายไม่จช่เป็นคนขี้เกียจเป็นคนแนะนําได้เป็นคนนําพาสร้างสรรค์เป็นตัว ทั้งปรึกษาฮารือทั้งมีฝีมือความสามารถเพราะนั่นเป็นอนณาคาริกับุคคลหรือเป็นอาาคามีบุคคลนะไม่ใช่คนต่ําต้อยไม่ใช่คนขี้หมูขี้หมาอะไรเป็นโสดาบันก็เป็นคนขยันแล้วเพราะขี้เกียจจังเป็นอบายมุกขี้เกียจเป็นอบายามุกเป็นโสดาบันก็เป็นคนขยันแล้วเป็นคนที่เจริญเป็นคนที่พัฒนาอ่าอาระโสดาบันอาจจะต้องมีภาระมีโน่นมีนี่อาจจะต้องสะสมเงินทองบ้างก็ตามแต่ฐานะนะ ก็ทำไปตามกวนแต่ก็เป็นคนไม่ขาดทนุนทำงานทำการเสียสละสร้างสรร์เอาในส่วนที่พอเอาคือมักน้อยให้ในส่วนที่ได้ให้มากกว่าที่ตนเองเอานอกจากที่ตนเองเอาแล้วก็เป็นของตนเองคือตอนเองทำนี่นะเป็นผู้มีพัถนาขนาดนี้สมมติว่าเป็นคนที่มีสมรรถนะประมาณวันละร้อยหน่วยตัวเองก็เอาไวเ้เพียงหน่วย50หน่วย อีกห0หน่วยก็กระจายสู่สังคมสู่ผู้อื่นสู่ประชาชนเอา ง, ง่ายๆสมมุติว่าค่าแรงงานของเราพันบาทต่อวันเสร็จแล้วคนนี้เนี่ยไปทำงานกับสังคมในกลุ่มไหนก็นแล้วแต่เอาแล้วทำในราชธ า, านีอโศกนี่แหละจริงๆนะค่าแรงงานของคุณวันหนึ่งพันบาทแน่ๆคุณก็เอาเงินเดือนเอาค่าแรงงานเดือนนึงสักเเดือนนึงสักหรือเดือนนึง ส่วนที่เหลือนั้นก็อยู่ในสังคมนี้แล้วที่นี่ก็เอาไปจัดสรรกันไปเอาแบ่งมันก็อยู่ในนี้แหละนี่คือความจริงแต่คนเราได้ชอบจะตีค่าราคาตัวเองแพนมันตีถูกๆเอาไว้ถ้าค่ารรยงานของตัวเองสมมุติว่ามันพันหนึ่งจริงๆนะคิดสักห0ารอยก่อนเสร็จแล้วทําให้ได้500ยให้ได้เอ้ยทําให้ต่ํากว่า500ให้ไปอีกให้ได้แล้วมีชีวิตอยู่ให้ใช้แค่ต่ํากว่า500ให้รอดให้ได้จนกงินตั้งสุดท้าย คุณเองคุณสามารถที่จะอยู่รอดโดยไม่ต้องเป็นรับรายได้อะไรเลยอยู่ในส่วนกลางนี่โอ้มีกองสวัสดิการมีระบบนี่มีส่วนกลางส่วนนั้นส่วนนี่แล้วเราก็มักน้อยสันโดดได้จริงแล้วก็อยู่ได้นี่เป็นวิธีการที่เราจะพยายามสร้างชุมชนและให้มีวัฒนธรรมให้มีระบบมีแบบแผนมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งจะต่างกันมากเลยถ้ามันเป็นรูปแบบแล้วจริงจังเลยนะอาตมาบอกโอ้ยที่คนเป็นหลงเลนินนะั่นนะ เลนินเนี่ยเป็นคนมาสืบทอดคานมาร์กเอาทฤษฎีของคารมาร์กมาสร้างจริงลงไปในประเทศประเทศแรกคื อ, อ, อรัเสเซียจนสําเร็จแต่ทจริงมันก็ไม่ตรงคารมาร์กทีเดียวนะยังเป็นลทัทธิแปลงนิดหน่อยเหมือนกันของเลนินเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ทําจนสําเร็จเขาก็มีจุดมุ่งหมายเป็นของส่วนกลางเหมือนกันของส่วนกลางอัตมาเคยบอกแล้วของพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสาธารณโภคี คือของบริโภคแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อย่างสาธารณะคืออย่างส่วนกลางของกลางไม่ได้มีของของของเป็นของใครเป็นสิทธิอ่แล้วก็มีระบบวิธีของพุทธเรามีสาธารณะโภคีมีของส่วนกลางแต่สมัยโน้นมันทําไม่ได้สมัยพระเจ้าทําไม่ได้เพราะว่าสมัยโน้นมันโอ้โหทั้งศักดินาและทุนนิยมเจ้าทานนายทานขนาดหนักมันทําไม่ได้สมัยพระเจ้าทําไม่ได้เลยคนรวยก็รวยกันโอ้โหคิดดูเถอะ ขนาดคนใช้ของปู่ของนางวิสาขานี่นะคนใช้นะยังเป็นเศรษฐีระดับหกเลยแล้วมันจะรวยระดับไหนแล้วปู่นางวิสาขาจะรวยขนาดไหนพราะนางวิสาขาแต่งงานเอาล้านไปเลยไปสร้างเมืองสร้างเมืองสาเกตแต่งงานเสร็จปูก่ก็เรียกว่าอะไรอะให้ทุน ให้ทุนไปสร้างฐานะานางไปสาขาก็เอาทั้งข้าทาดบริวารซับสริงคารไปสร้างเมืองสาเกต ท, ทั้งเมือง <c oughs> มันรวยจริงๆไอคนจนมันก็เป็นทาดจริงๆเลยไม่มีอะไรรอกชีวิตยังเป็นของเขาเลยสมัยโ น, อนอ้นชีวิตก็เป็นของเขาเขาจะฆ่าตายก็ตายทิย้งไปเฉ ย, ย, ยๆเพราะพระพุทธเจ้าทําไม่ได้ยุคโนนใครบอกว่าโอ้อาตมาเนี่ทํานอกรีตพระพุทธเจา้าของกลางเขามีแต่ของสงเท่านั้นแหละ ไปให้คา kind of ่าะเป็นของกลางมันจะไปใช้ได้แล้วนอกเกินเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเอาเถอะใครจะว่าก็เรื่องของเขาอาตมาไม่เถียงไม่แย้งแต่อาตมาจะเอาสิ่งที่อาตมาเข้าใจเนี่ยมาพิสูจน์มาทำมาถึงวันนี้แล้วคุณเชื่อไหมว่าพวกเรามีของส่วนกลางที่จะอยู่กับชุมชนได้เชื่อไหมให้ได้ยินพอสมควรไม่แน่นเท่าไหร่ฮะไม่แน่นเท่าไหร่หรือหิวข้าวเสียงเลยเชื่อบ้าเบา อะไรกัน10โมงเพิ่งครึ่งเอานะอาตมาว่าไม่ต้องเอาถึง11โมงก็ดียังเนาะมันไวเอาไปเอามาเเดจะเป็นสิบเอโมงครึ่งอย่างพูดเล่นซะอีกเดี๋ยวจะอถูกแช่งไม่แช่เลยหรอกอาตมาไม่อยากให้ใครมาแช่งอาตมาเท่าไหร่ของกลางหรือบทส่วนกลางเนี่ยอาตมาพาพิสูจนมาแล้วเป็นครว่าตนี่แหละทําได้เพราะฉะนั้นคนที่มีจิตสู อนาคาริกาหรืออนาคามีภูมิเราแน่ใจแล้วว่าระบบอย่างนี้วัฒนธรรมอย่างนี้พึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายได้อย่างนี้แม้ที่สุดเราจะเป็นเราจะเป็นงวงานงวงานของที่ไหนก็แล้วแต่ชุมชนนี้เราเป็นงัวงานเลยนะโอ้ทําอซอกๆๆ ก, อ ก, อกโอ้กินก็เพื่อนฟูงเอาไปกินโม่เราต้องทํางานมันไม่มีเวลาว่างไปไม่ทนันโอ้เหลือแต่เศษแต่กากเลยกินนะอาหารก็อ่ะ ถ้าคุณทนได้สุขภาพไม่เสียเกินไปอัตมาว่านั่นละบุญของคุณละคุณทำได้มากคุณให้แก่คนได้มากแต่คุณเป็นรถที่เปลืองน้ำมันเปลืองไฟฟ้าเปลืองอะไรน้อยกินอะไรเป็นค่าโสหุ่ยน้อยแต่ให้คุณค่าแก่คนอื่นๆเขามากกำไรหรือขาดทุนน่ะโอ้ฉลาดกันเนาะนะฉลาด ที่อาตมาพูดนี่ก็เหมือนกับอาตมามาล้างสมองเหมือนอาตมามาล่อหลอกให้บกคุณมาเป็นฆ่าทาตจริงๆอาตมาไม่ได้อยู่กินที่นี่สักนานเท่าไหร่หรอกมากินก็กินไม่เท่าไหร่หรอกมันคุ้มค่าเทศอยู่นะจะว่าจริงมาทุกทีก็มาคุ้มค่าเทศอยู่นะนะจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้มากินเอาสร้างนี่สร้างศิลอะไรหรอกนะก็อย่างนี้แหละพยายามอย่างเทต่จะระบุคนมาสร้างสรรค์ธรรมเถอะ เราทําถ้าเราเข้าใจกรรมแล้วนะว่าเราได้ให้เขานี่แหละคือเราได้ได้ให้เขามากเท่าไหร่ได้เสียสละมากเท่าไหร่ทั้งความสามารถความรู้คิดราคาความรู้นี่มันเขาก็คิดจริงเหมือนกันก็ 20, ทั้งโลกเขาคิดราคาความรู้นี่แพงกว่ากําลังงานที่เหมือนงูเหมือนควายางะไรเงี้นะกาลังงานอค่าความรู้แพงกว่ า, า, วาก็าจริงอยู่เหมือนกันจริงอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ไม่เหมือนกับเขาคิดราคาแพงเกินไปถ้าวันนี้ค่าความรู้มัน มันช่อชนมันเอาเปรียบเอารัดคนที่ออกแรงงานมากเกินไปเดี๋ยวเล่มหน้าอ่านเราคิดอะไรฉบับกรรมกรหรือกรร ม, มาธิการใครสร้างใครผาผานบ้านเมืองยิ่งกว่ากันกรรมกรหรือกรร ม, มาธิการใครสร้างใครผาผานบ้านเมืองยิ่งกว่ากันเดี๋ยวเล่มหน้าอ่านเนี่ยจะมาเขียนเสร็จแล้วยังไม่ออกนี่เพิ่งออกเล่ม น, นี้แค่ ศิลปะมหรสพกับอนาจารต่างกันอย่างไรเท่านั้นเองในเรื่อนี้นค่อยๆว่าไปนัเพราะฉะนั้นก็พวกเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจในเรื่องของกิจกรรมกิจการที่เราจะต้องทําเพื่อให้มันครบวงจรและก็สร้างสารรค์เพื่อจะให้สังคมกลุ่มเนี่ยมีลัทธิอย่างนี้มีวินัยอย่างนี้มีระบบระเบียบอย่างนี้มีวัฒนธรรมอย่างนี้มีความเข้าใจด้วยปัญญาจริงๆแลว้วอย่างนี้แหละดี ทำไปเถอะอีกเราอีกไม่รู้จะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติคุณก็สร้างกุศลเอาไว้เป็นวิบากกุศลวิบากของคุณของคุณกันแล้วกั น, นทำดูสร้างสรรดูตอนนี้ของเราอยู่ในระยะที่อาตมาเคยบอกแล้วว่าพวกเรามันเมือแตกเนินหนุ่มโมโหแตกเนินหนุ่มเนินสาว ม, มันกำลังขนองมันกำลังมันจะไปไม่ไปแหลอะไรอยู่บ้างเนี่ยเอาหรือว่า ง, งานมันก็กาลังแตก แตกขแขนงแตกสาขาแตกอะไร อ, อะไรขึ้นมาแต่ไม่ได้ไปแตกข้างนอกเราวนะมาแตกข้างในเนี่ยอัตมาระวางังแต่เพียงว่ามันจะมากเกินแรงของเราเกินไปแล้วพวกเราทําไม่หวดัดไม่ไหวตรงนี้แต่อะไรมันก็จะขยายได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยก็เลยระมัดระวังอยู่บ้างก็ขอให้พวกเราช่วยกันมันต้องทําถ้าไม่ทําก็ไม่รู้จะให้ใครมาทําเราไม่ใช่ทุนนิยมขนาดนั้นเราจะจํานวนเลยต้องพยายามหาทุนมาทํางานเพราะ เพราะงานนี้เป็นงานใหญ่ใช่ไหมต้องใช้ทุนมากทีนี้พวกเราก็ไม่ได้อตมาไม่เคยสอนให้พวกคุณไปกอบโกยเอาเปลียกเอารัดแล้วก็ไม่ได้สอนให้พวกคุณกักตุนด้วยเงินมันก็น้อยน้อ ย, นอยจนกระทั่งหมดไปก็ต้องเยอะแล้วอะมาจนจริงๆอะก็เลยเพอเราะจะหาเงินก้อนขึ้นมาเนี่ยโอ้ยบอกบุญกันทีนี้เฉยก็บอกไปก็ไม่มีบอกไปก็มันไม่มีคนมีที่ยังไม่ออกมันก็ มีเหมือนกันแหละยังกล้าให้อา้าวเขบอกไปได้เท่าไรก็เอามันก็เป็นไปได้ตามนั้นแนหะทีนี้เราจะมาสร้างให้มันเกิดวงจรเกิดกิจการอะไรที่ต้องลงทุนเยอะๆมันไม่พออาตมา ต, ติดอยู่เรื่องหนึ่งที่พูดเนี่ยยังสร้างไม่ได้อยู่อย่างหนึ่งคือโรงพยาบาลเนี่ยอาตมาตจะตายก่อนหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ถ้าโรงพยาบาลยังไม่เสร็จเนี่ยนั่นก็ไม่สมบูรณ์ ก็รอไปก่อนก็ค่อยเป็นไปแต่ไม <Yes. S 2> sure. ่ได้สร้างเหมือนเขาทีเดียวหรอกเป็นโรงอ่าเป็นโรงศาลาพิบาลซึ่งจะต้องทำให้มันพอสมควรเพราะนั้นเราจะต้องทำมันจึงอยู่ที่ว่าพวกเรานี่แหละต้องทาให้จริงให้มีรูปจริงให้มีของจริงพอของจริงเกิดขึ้นแล้วใครก็พลัดผ่านมาเห็นข่าวมารู้มาเห็นไม่ต้องอธิบายมาก ของจริงที่มันเป็นแล้วเรียบร้อยเป็นสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยมันยิ่งกว่าอธิบายเป็นภาษาโดยเฉพาะยิ่งมันเรื่องยากอย่ของเรานี่ยากเลยอธิบายเป็นภาษามันมีสภาพย้อนแย้งมันมีไดอะเล็กติกมันมีสภาพที่เป็นวิพากษ์เป็นสิ่งที่มันขัดแย้งกันอยู่ในตัวพูดไม่ออกเป็นวิพากษ์เป็นสิ่งที่ พูดแล้วก็ดูแยงพูดออกไปเหมือนกับขัดแยงเหมือนกับแย่งกันเอ๊ะทำไมว่าเป็นอย่างงี้ทำไมไม่เป็นอย่างงี้อะไรพูดว่าอย่างนี้เหมือนกันจะบอกว่าหัดมหัดจนแต่บอกอได้แล้วเราจะรวยแล้วมันพูดเอาไหลเว้ยมันหัดจนเราจะอุดมสมบูรณ์จะรวยเอาจริงนะไม่ไปโกหกเลยแต่ละคนมหัดจนจริงๆแต่พวกเราจะอุดมสมบูรณ์นี่เรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าเราจะแย่จับแย่ไม่แย่จะอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์อาตมาถึงบอกว่า พวกเราเนี่ยอาตมามาถึงวันนี้อาตมาแน่ใจพวกเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจฯฯได้โดยเฉพาะหลายครอบครัวเลยเมื่อปฏิบัติบธรรมของพระเจ้าอย่างนี้แล้วเสร็จชัดเจนแล้วว่าเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แค่หยุดอบายหยุดมุกเท่านั้นหยุดความฟุง้งเฟอ้อไปตามโลกบ้างพอสมควรเท่านั้นขยันหมั่นเพียรขึ้นมาทาอาชีพขี่มูขี่มาอะไรพวกเราก็ทํารอดใช่ไหมอยู่ได้แล้วแก้ปัญหาเศรษฐกิจฯฯได้แล้วยิ่งอาชีพที่มัน สอดคล้องกับสังคมในขณะนี้เนี่ยโอ้โหคนเขานิยมด้วยแล้วเราไม่ต้องห่วงเลยรับรองและอาตมาก็ไม่ได้สอนได้บุคคลเป็นนั่งตั้งหน้าตั้งตารวยต่อไปละนะยังไงยังไงก็หาทางเสียสละสร้างสรรค์รวยๆก็เอามาช่วยชิ่นี่มากๆหน่อยอเพราะงั้นทุกอย่างดูเหมือนไม่เหมือนเขาแต่เหมือนทุกอย่างดูเหมือนคานแยงแต่ไม่ใช่คานแยงหรอกสอดคล้อง เพราะสังคมก็ต้องการอย่างที่เร า, าพาเป็นเนี่ยแต่เขาเข้าใจไม่ได้เขาเฟอ้อเกินไปแล้วติดยึดหลงไหลเพราะนั้นเขาก็มีกิเลสส่วนเหล่านั้นที่เขาพูดกันไม่รู้เรื่องและเขาก็ทำอย่างเราไม่ได้ต่อไปในอนาคตคนจะเข้าใจเราหมดาเลยบอกว่าโอ้อย่างนี้ต้องสู้หกในอย่างพวกเราต้องสู้หกเขาจะบอกเลยว่าโอ้โหดีแต่ผมทำไม่ได้ครับดีแต่ดิฉันทำไม่ได้กัน เอาเลยสนับสนุนทุกอย่างเท่าที่จะสนับสนุนได้เขาจะยอมรับและเคารพนับถือเพราะเขาทำไม่ได้เมื่อทาไม่ได้เขาต้องยกย่องเขาต้องเชิดชูบูชานี่เป็นเรื่องสัจจะในอนาคตที่จะเป็นแต่ไม่ต้องไปหวังไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังเลยเดี๋ยวจะอกหักไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ความจริงถ้ามันเป็นจริงมันจะเป็นอย่างที่อาตมาว่า เพราะฉะนั้นเราทำได้ดีก็อย่าไปหวังว่าเอ๊ะทำไมเราดีขนาดนี้เขาไม่มาเห็นเลยเขาไม่มาย่งย่องเชิดชูเลยจำมาไว้ว่าดีแต่ยังดีไม่มากพอทำดีให้ขึ้นไปอีกขนาดนี้เขายังตาบอดอยู่ก็มันดียังไม่มากพอตาเขาบอดอยู่ยังเห็นไม่ได้เอาให้คนตาบอดนั่นหละเห็นได้ นี่เป็นปรัช ญ, ญานะเป็นปรัช ญ, ญาเพราะนั้นในกิจกรรมนี่สําคัญจะบอกว่าศาสนาไม่ห่วงกิจกรรมไม่จริงเป็นเรื่องหลักของมนุษย์ชาติด้วยกิจกรรมแต่ต้องรู้จักสัมมาอาชีพต้องรู้สัมมาอาชีวะเพราะศาสนาไม่ได้อธิบายสัมมาอาชีวะเลยจะทวายอธิบายกันอยู่บ้างก็กายกรรมวจิกรรมมโนกรรมสังกปะวาจากรรมมันตะกรรมรรมันตะก็ไปแปลว่ากายกรรม วัจจิกรรมก็ไปแปลว่าวาจาสัง ก, กับปะ ก, ก็ไปแปลว่าความนึกคิดเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องปรับปรุงแต่แค่กายกรรมวจจิกรรมมนโนกรรมส่วนอาชีวกรรมละ่ะไม่รู้เลยไม่เรียนรู้เลยกุหนาเป็นยังไงลับปนาเป็นยังไงในมิตรกตานี่เปสิกตาลาเพนังลาพังนิจิกิงสนาตายิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยอาตมาหยิบมาพูดนี่พวกเราต้องค่อยเข้าใจแล้วก็พยายามพัฒนาสินเนี่ยไล่ลําดับดูอาชีวะห้านี่ก็ได้ และพวกเราก็พัฒนาขึ้นมาเขาไม่รู้เรื่องเลยจริงๆเพราะฉะนั้นสังคมยิงไปไม่ออกไม่ออกนายทุนหรือระดบทุนนิยมถึงรุ่งเรืองใหญ่โตเสร็จแล้วก็ตายปลาใหญ่กินปลาเล็กเป็นธรรมชาติไม่มีปลาใหญ่ช่วยปลาเล็กจริงเลยมีแต่ปลาใหญ่หลอกปลาเล็กสุดท้ายก็กินปลาเล็กซะเองอยู่นั่นเองแต่หลอกปลาเล็กเพราะมันไม่มีความจริงมันเป็นไปไม่ได้นะ เพราะงั้นพวกเราจะต้องพยายามจริงๆเลยพยายามที่จะพัฒนานี่มันเริ่มต้นมาถึงขนาดนี้แล้วต้องเหนื่อยขอยืนยันว่าเหนื่อยเพราะว่าเราเป็นรุ่นบุกเบิกรุ่นพายอนเนียรุ่นหัวเจาะจะต้องชนต้องบู้ต้องบี้ต้องร้อนรุ่นหัวเจาะรุ่นพโอเนียรุ่นบุกเบิกเราจะต้องทําจริงๆอย่างจังต้องสู้ต้องอดทนเราได้ที่เราด้วยและสังคมจะได้ด้วยช่วยกันสร้าง นาวาบุญนิยมตอนนี้ได้นามสกุลใหม่อีกนาสกุลหนึ่งแล้วท่านพิสุทโธท่านพิสุทพิสุทโธเป็นเจ้าของนามสกุลนะชื่อว่าท่านพิสุทธชาติบุญนิยมไปเปลี่ยนยังเนี่ยกลับไปก่อน กับจากการนี้ปเปลี่ยนนี่เขาเป็นคนต้นคิดตอนแรกก็เลยบอกว่าให้ท่านพิสุทธโทท่านเป็นเจ้าเป็นเจ้าของนำส ก, กุลเป็นเป็นหั ว, ห, วหัวต้นจะดีเขาเองเป็นผู้หญิงเขาไม่ดีก็เลยไปขอไว้ตั้งอะไรไปตั้งไว้สองสองส ก, กุลชาติบุญนิยมกับธากบุญนิยมธาตุนีทาตุนะไม่ใช่ทาทศฐารสลาออเสือนะธาตุก็เลยไปขอไว้ก็เลย มันก็คงไม่ไปซ้ำกับใครชาติบุญนิยมเป็นอันที่หนึ่งเลยได้อันนี้มาส่วนธาตุบุญนิยมธาตุธาตุเนี่ยยังไม่ได้นี่เห็นว่าให้ไปขอหนึ่งฟ้าจะไปขออะไรแห่งราชธานีอโศกนี่ไม่เห็นว่าไงไรเลยเงียบอยู่เลยเนี่ยนะพวกเราก็จะมีนามสกุลอะไรของเราพวกเราไปงี้เลยนะเนี่ยเป็นการตั้งกลุ่มเป็นการสร้างมนุษย์ชาติเป็นการทําอะไรขึ้นไว้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันไปไม่ออกศาสนานี่แหละเป็นสิ่งที่จะยืนยันว่าถ้าไม่หันมาทางศาสนานแล้ว แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ในโลกาศาสนาไหนดีๆก็ทําเถอะนะเราเองเราเข้าใจาศาสนาพุทธแล้วเราก็ว่ า, าศาสนาพุทธนี่ดีที่สุดเราก็จะพยายามใช้าศาสนาพุทธกับชีวิตพิสูจน์ไปนะอาตมาเคยพูดมาแล้วว่าชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่เกิดมามันก็มันจะไม่ได้สร้างแต่บุญแต่กรรมถ้าคุณเองหลงพลัดเข้ามาในที่นี่มันโลกรุตระขอสักชาตินึงเถอะชาติหน้าแต่คุณไม่เอาไปเลย มันได้ไปแน่ๆโลกิยาไปเลยไม่ต้องห่วงหรอกตาไปแน่ๆให้มันได้โลกิยะลิลมซะ ก, ก่อนได้ลิมโลกิยะแล้วก็ไปเทียบกับโลกิยาได้โลกุตระแล้วไม่ลิมกัลองเทียบกับโลกิยะว้าสู่โลกิยะไม่ได้ไปเลยไปเลย Twenty เอาให้ได้ซะก่อนแต่ไม่ได้แล้วนะแน่นอนคุณก็โลกิยะอยู่ดีแล้วคุณก็ต้องไปอยู่กับโลกิยะอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นชาตินี้เอาให้ได้อย่างน้อยไปโสดาบันให้ได้ซะก่อนเถอะถ้าได้โสดาบันแล้วอยากจะไปโลกิยะ นิมนต์เอวังสรุปวันนี้